วันนี้เป็นวันศุกร์ที่12เมษายนพุทธศักราช2567เป็นวันแรกของช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรารสาธุชนพุทธบายสัสตว์ผู้ฝ่ายธรรมจึงในเวลาว่าง จากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษามาริ่มเรียนพระทางคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการฟังเทศฟังธรรมเพื่อที่จะได้นำเอาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขแก่จิตใจ พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะได้ยินได้ฟังในวันนี้ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาจิตใจคือการปฏิบัติจิตตภาวนาคำว่าจิตตภาวนาแปลว่าการพัฒนาจิตใจให้จิตใจมีความสงบ ให้มีความสุขปราศจากความทุกข์เป็นการปฏิบัติโดยตรงของจิตใจการปฏิบัติจิตใจที่เรียกว่าจิตตภาวนานี้ก็มีแบ่งเป็นสองระดับด้วยกันสองขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกเรียกว่าสมถภาวนา ขั้นตอนที่สองเรียกว่าวิปัสนาภาวนาขั้นตอนแรกคือการทำใจให้สงบด้วยการเจริญสติเพื่อที่จะได้ความสงบแต่เป็นความสงบแบบชั่วคราวคือสงบในขณะที่อยู่ในสมาธิ แต่พอออกจากสมาธิมาแล้วความสงบก็จะจางหายไปเพราะใจยังไม่ได้กาจัดเหตุที่ทำให้ใจไม่สงบนั่นก็คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาถ้าต้องการให้จิตสงบ แบบถาวรก็ต้องปฏิบัติจิตตภาวนาขั้นที่สองที่เรียกว่าวิปัสนาภาวนาเพราะคำว่าวิปัสนาภาวนาก็คือการกระทำให้รู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่จิตไปยึดไปติดไปหลงไปอยากนั้น ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่มีใครควบคุมบังคับได้ถ้าไปอยากให้เที่ยงอยากให้อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับใจก็จะทุกข์ขึ้นมาถ้าเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่ควบคุมบังคับไม่ได้ ก็จะหยุดความอยากที่จะไปควบคุมมันครับที่จะไปอยากให้มันไม่เที่ยงไม่เปลี่ยนแปลงที่ไปอยากให้มันเที่ยงพอละความอยากเหล่านี้ได้ความทุกข์ก็จะหายไปความสงบของใจก็จะกลับคืนมาน่าจะสงบไปอย่างถ้าวอน ถ้าไม่มีกิเลสตัณหาหลงเหลืออยู่ภายในใจอันนี้เป็นขั้นที่สองของการปฏิบัติจิตตภาวนาสมถภาวนาทำจิตใจให้สงบแบบชั่วคราวไปก่อนแต่พอได้ความสงบแบบชั่วคราวจากสมถภาวนาแล้วเวลาออกจากสมาธิออกจากความสงบ พอจิตเริ่มมีความอยากขึ้นมาก็จะเห็นว่าความสงบนั้นก็จะหายไปทันทีจิตจะกระเพื่อมเหมือนน้ำที่นิ่งกับน้ำที่กระเพื่มอมเวลาน้ำนิ่งนี้น้าจะเป็นเหมือนใสเหมือนกระจกแต่พอน้ำเริ่มกระเพื่อมขึ้นมาก็จะ ขุ่นมัวขึ้นมาเมาเมาไม่เห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในน้ำได้อย่างชัดเจนฉันใดจิตที่สงบนี้ก็เป็นจิตที่เป็นเหมือนกระจกแต่พอจิตพอเกิดความอยากขึ้นมาในจิตมันก็จะมีอาการกระเพื่อมขึ้นมาในจิตความสงบที่ได้จากความนิ่งของจิตก็จะหายไป แล้วความร้อนที่ได้จากความอยากต่างๆก็จะโผล่ขึ้นมาทำให้ผู้ปฏิบัตินี้เห็นได้ชัดเจนว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้ความสงบที่ได้จากสมาธิหายไปก็คือความอยากต่างๆกิเลตันหาโมหะอวิชานี่เอง ที่เป็นตัวสร้างความอยากต่างๆที่ทำให้จิตกระเพื่อมแล้วถ้าไม่ควบคุมบังคับดับมันอาการกระเพื่อมก็จะเพิ่มทวีคูณรุนแรงขึ้นไปจนกลายเป็นอาการพุ่งสร้างขึ้นมาอันนี้ถ้าต้องการที่จะให้จิตที่ออกจากสมาธิมานั้น หายฟุ้งซ่านหายกระเพิ่มก็จำเป็นที่จะต้องระงรับเหตุที่ทำให้จิตนั้นฟุ้งซ่านขึ้นมาเหตุนั้นก็คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาความอยากในสิ่งต่างๆ ต, ต้องหยุดความอยากเหล่า น, นั้นได้และการที่จะหยุดความอยากในสิ่งต่างๆได้ ก็ต้องเห็นในสิ่งต่างๆว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันไม่ได้ให้ความสุขไปได้ตลอดให้ได้ให้ความสุขได้แบบชั่วครั้งชั่วคราวแต่ไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องยุติลงเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงของไม่ยั่งยืนของไม่ถาวรของที่ไม่เปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆพอมัน พอมันดับหรือมันเปลี่ยนแปลงมันก็ทำให้ความสุขที่ได้นั้นหายไปพอสูญเสียความสุขไปใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นมานี่แหละการที่จะทำให้ความทุกข์หรือความไม่สบายของใจความไม่สงบของใจหายไป ก็ต้องใช้ปัญญาหรือวิปัสสนาคือใช้ายรักมองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นว่าเป็นายรักแล้วใจก็จะละงับความอยากต่างๆในสิ่งต่างๆได้พอรังรับความอยากได้ในในสิ่งต่างๆได้ทั้งหมด ไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในจิตเลยจิตก็จะสงบอย่างถาวรแล้วก็จะให้ความสุขที่สมบูรณ์ที่เรียกว่าปาลังสุขขังความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดความสุขที่ยั่งยืนถาวรความสุขที่ให้ความอิ่มความพอไปตลอดจึงไม่ จึงทำให้ไม่เกิดความอยากขึ้นมาได้เพราะความความอยากกับความพอมันอยู่คนละด้านกันนันเองถ้ามีความพอมันก็ไม่มีความอยากถ้ามีความอยากมันก็มีความไม่พอเห็นพอกาจัดความอยากด้วยปัญญาด้วยายรักได้แล้วใจก็จะอิ่มจะพอไปตลอด ใจที่อิ่มที่พอก็เลยไม่จาเป็นที่จะต้องไปแสวงหาอะไรจากสิ่งต่างๆจากการไปเกิดอีกต่อไปการไปหาสิ่งต่างๆในใจพบก็จะมสิ้นสุดลงไม่จาเป็นที่จะต้องไปมีร่างกายไม่จำเป็นที่จะต้องไปแสวงหาโลกรธรรมราบยศเสรเสรสวรสุขหรือ สวรรวิมานอะไรต่างๆเพราะว่าเป็นความสุขแบบชั่วคราวแล้วก็จะมีความทุกข์ที่เกิดจากการไปเกิดเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพ้าจากกัน ใจที่ได้วํมเป็นวิปัสสนาภาวนาแล้วนี้จะไม่มีวันที่จะไปเกิดอีกต่อไปเพราะได้กาจัดเหตุที่พาให้ไปเกิดให้หมดสิ้นไปจากใจได้หมดคือตัณหาทั้งหลายทั้งปวงที่สรุปได้ลงอยู่สามข้อกามาติตัณหาความอยากหาความสุขอยากลปเสียงกินลดโกรธสพ ภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากมีแต่ความสุขภาวะมีภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่มีความทุกข์อยากจะมีแต่ความสุขความทุกข์ไม่อยากจะมีความอยากสามอย่างนี่แหละที่เป็นตัวที่ทำให้จิตไม่สงบทำให้จิตต้องคอยไปดิ้นไปเกิดอยู่เรื่อยๆ นี่คือโดยสรุปง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องการจิตภาวนามีแบ่งไว้เป็นสองภาคด้วยกันส ม, มถะาภาวนาทําใจให้สงบด้วยสติด้วยการเจริญสติแต่จะได้ความสงบแบบชั่วคราวไปก่อนแต่เมื่อได้สัมผัสกั บ, กบความสงบแบบชั่วคราวเราเห็นว่ามันเป็นความสุขอย่างยิ่ง พความสุขที่เหนือกว่าความสงบไม่มีนั่นเองผู้ใดสามารถจเจริญสติเพื่อทําจิตใจให้สงบได้จะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงคือรถของความสงบที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนั่นเองนัตติสันติป ร, รังสุขขงังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มี พอได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วแม้เป็นเพียงความสงบแบบชั่วคราวก็จะเกิดความยินดีที่จะสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ให้มีมากขึ้นไปตามลําดับก็จะมีการเจริญสตินั่งสมาธิให้มากขึ้นบ่อยขึ้นจน ท, ทำเป็น อาชีพไปเลยคือไม่มีอาชีพไม่มีอะไรจะต้องทำนอกจากการทำจิตใจให้สงบด้วยการเจริญสติอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับนี้ใจจะไม่มีจะไม่ขาดจากการมีสติเลยจะมีสติคอยกากับใจคอยควบคุมใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆด้วยการถูกใจไว้กับกรรมฐาน อย่างใดอย่างหนึง่ง<ม>ในสายปฏิบัตินี้เราก็มักจะใช้พุทธานุสติเป็นกรรมฐานอย่างหนึง่ง<ม>คือการระลึกถึงพระพุทธเจ้า<ม>เช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธ<ม>อันนี้เป็นการผูกใจไม่ให้ลอยไปกับความคิด<ม>ต่างๆพอลืมตาขึ้นมาเติ่ขึ้นมาก็พุทโธไปเลยบริกรรมพุทโธไปภายในใจ ไม่ว่าจะไปทำภารกิจอะไรก็ตามซึ่งถ้าเป็นนักปฏิบัติเต็มรูปแบบนี้จะไม่มีภารกิจอย่างอื่นนอกจากภารกิจเลี้ยงดูร่างกายเท่านั้นนอกนั้นก็จะเป็นภารกิจของการเจริญสติไปอย่างเดียวคอยควบคุมความคิดอยู่ตลอดเวลาพอตื่นขึ้นมารุกขึ้นมานั่งก็พุโทโธพุโทโธ ลุกขึ้นมายืนก็พุทโธเดินไปก็พุทโธไปทำกิจล้างหน้าแปรงฟันก็พุทโธพุทโธอาบน้ำแต่งตัวก็พุทโธพุทโธรับประทานอาหารก็พุทโธพุทโธทำความสะอาดสิ่งต่างๆเช่นถ้วยจานหรือที่อยู่อาศัยก็ทำด้วยสติพุทโธพุทโธไป พอเสร็จจากภารกิจการดูแลร่างกายแล้วก็มาเดินจจงกรมก่อนเพราหลังจากที่รับประทานอาหารอิ่มแล้วถ้านั่งเราจะเกิดอาการง่วงได้ง่ายก็จะนั่งหลับกันก็มักจะเรียกเรื่องการนั่งสมาธิในระยะที่หลังจากรับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆมาเดินจงกรมแทน เดินไปก็ใช้สติกำกับใจใช้พุทธานุสติกำกับใจจนรู้สึกเมื่ออยากจะนั่งรู้สึกว่าไม่ง่วงแล้วก็มานั่งขัดสมาธิก็ได้ถ้านั่งขัดสมาธิได้ก็เป็นท่านั่งที่ดีที่สุดขวาทับซ้ายมือขวาทับมือซ้ายวางไว้ที่หน้าตักแล้วก็บริกรรมพุทโธต่อไป อย่าปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าอยู่กับพุโทโธอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวจิตก็จะดิงลงสู่ความสงบได้ที่เรียกว่าตกหลุมตกบอ่อตกเหวจิตจาล่วงจิตมันจะล่วงตกจากที่สูงลงมาแต่ไม่ไม่กระแทกพื้นเพราะพื้นเป็นพื้นที่มีความนุ่มมีความสบายพอตกลงมาปุ๊บจิตก็นิ่งสงบสบาย โดยความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนที่เรียกว่านัต mm ิสันติปลังสุขขังและในความนิ่งสงบของจิตนั้นก็จะเกิดอุเบกขาขึ้นมาศักแต่ว่ารร้ mm hmm. อุเบกขาจะปราศจากอารมณ์ต่างๆ mm hmm. เช่นความรักชางกลัวหลง mm hmm. จะไม่มีปรากฏในขณะที่จิตอยู่ในความสงบนั้น อันนี้แหละที่เรียกว่านัตติสันติพลังสุขขังความสุขที่เหนือกว่าความสงบไม่มีถ้าได้สัมผัสกับความสงบนี้แล้วแม้จะเป็นผูช่วหนึ่งขณะที่เรียกว่าคานิกะสมาธิกัน้ก็ตามแต่ความอาจจะรังของความสุขแบบนี้มันเป็นความสุขที่ที่ท้าทายก็ว่าได้ ที่ดึงดูจิตใจก็ว่าได้ให้ตินให้ชอบออกับความสุขแบบนี้ให้แสวงหาความสุขแบบนี้แทนที่จะไปหาความสุขแบบที่เคยหากันก็คือความสุขที่ได้จากลาภยศสาระเสริญความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผตภะชนิด ต, ต่างๆความสุขเหล่านี้มันไม่มีความหมายต่อจิตใจ ของผู้ที่ได้สัมผัสกับความสงบจากการบำเพ็ญจิตตภาวนาเลยจะกลายเป็นบุคคลอีกคนหนึ่งไปเคยเป็นคนที่ออกสังคมไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูง ห, หรือทำกิจกรรมอะไรต่างๆมันจะกลายเป็นคนที่ชอบความสงบเป็นคนที่เป็นส ม, มถะเรียบง่าย คนที่ไม่ยอบคุกคีไม่ชอบสังคมกับใครเพราะว่าการได้ความสุขจากการไม่คุกคีกับใครจากการบาเพ็ญจิตตภาวนานี้มันเลิศประเสริฐกว่าความสุขที่ได้จากการไปคุกคีไปสังคมกับผู้นั่นเองคคนนั้นก็จะเปลี่ยนไปถ้าเคยออกสังคมก็จะลดละการออกสังคมหรือ หลือตัดไปหมดเลยก็ได้บางคนก็ถึงขั้นกลับไปบวชเลยก็มี <c oughs> อันนี้แหละลถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนั่นเองแล้วก็จะพยายามบำเพ็ญสมถะภาวนานี้ไปตลอดทั้งวันทั้งคืนยกเว้นในขณะที่นอนหลับเท่านั้น พยายามที่จะขยายพื้นที่ของความสงบให้ออกไปนานขึ้นมากขึ้นสงบทั้งในขณะที่อยู่ในสมาธิและสงบทั้งในขณะที่ออกจากสมาธิมาถึงแม้ว่าความสุขที่ออกจากสมาธิมานี้จะค่อยๆจางหายไปพอรู้สึกว่าความสุขจางหายไปก็จะ กลับเข้าไปในสมาธิหน่อยจะบำเพ็ญสมถะภาวนาไปก่อนในเบื้องต้นยังไม่กังวลไม่ต้องกังวลกัวเรื่องของการเจริญวิปัสนาภาวนาเวลาจิตเ อ, เอามาแล้วเกิดอาการไม่สงบขึ้นมาเพราะสังขารความคิดตุงแต่งคิดตุงแต่งไปในทางกิเลสปัญหาก็ใช้การเจริญสติกบคุมความคิดหยุดความคิดไปก่อน ให้กลับเข้าไปสู่สมาธิกลับเข้าไปนั่งสมาธิใหม่พอเวลาที่ออกจากสมาธิมาก็อาจจะต้องมีอะไรต้องทำต้องขับถ่ายต้องดื่มน้ำอะไรพอร่างกายนี้ยังต้องมีการดูแลอย่างสม่าเสมออยู่พอออกมาดูแลเรื่องของร่างกายแล้วถ้าไม่มีอะไรที่จะต้องทำที่จำเป็นจะต้องทำ ก็อาจจะใช้การเจริญสติคอยคุมปิเลตปัญหาความคิดปุงแต่งไม่ให้มาสร้างความวุ่นวายให้กับใจแล้วพอเดินจนกระทั่งรู้สึกว่าเมื่อยแล้วก็เปลี่ยนกลับมานั่งสมาธิต่อ ถ, ถ้าอยู่ในระดับท่านของสมถะภาวนานี้ จะไม่ทําอะไรนอกจากการเจริญสติกับการเข้าสมาธิเป็นหลักควบคู่กับการไปทําภารกิจของร่างกาย<ม>การเลี้ยงดูร่างกาย<ม>ด้วยการอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวหวีผ้าหวีผ ม, มด้วยการรับประทานอาหารทําความสะอาด<ม><ม>ภาชนะต่างๆหลังจากที่เสร็จจากการรับประทานอาหารดูแลความสะอาดของสถานที่พัก ให้มีระเบียบเรียบร้อยสะอาดผู้ที่มีความสะอาดในใจนี้จะไม่ปล่อยให้ความสะอาดนอกใจนี้ความสกปรกนอกใจเกิดขึ้นเห็นอะไรที่ไม่ไม่เรียบร้อยเห็นอะไรที่มันไม่สงบไม่ไม่ไม่สะอาดนี้จะคอยตัดมันทันทีการจะดูจิตของผู้ปฏิบัตินี้ก็ดูสภาพความเรียบร้อยของ ที่อยู่อาศัยของผู้ปฏิบัตินั้นก็มีส่วนอ่เป็นที่สะ า, ารเรียบร้อยหรือเปล่าหรือเป็นที่ลกลุงลังสกรปรกอันนี้มันบ่งถึงภาวะของจิตของผู้นั้นะถ้าจิตมันสกรปรกมันก็ปล่อยให้สิ่งที่อยู่ภายนอกมันสกรปรกตามไปถ้าจิตไม่มีระเบียบไม่มีควาสมสงบมันก็จะปล่อยให้สิ่งที่อยู่ภายนอก มันก็ไม่มีระเบียบเรียบร้อยอันนี้เป็นการดูจิตได้อย่างดูพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติเองว่าเป็นอยู่เป็นในลักษณะอย่างไรเรียบร้อยสะอาดหรือเปล่าขยันหมั่นเพียรหรือขี้เกียจอันนี้เป็นคุณคุณสมบัติของผู้ที่ปฏิบัติผู้ปฏิบัตินี้จะไม่เกียจคร้านจะมีความ ม, มีระเบียบเรียบร้อยทั้งในทางใจและทั้งภายนอกใจอันนี้ก็คือเรื่องของการบําเพ็ญขั้นขั้นต้นก่อนคือการสมะถะภาวนาและการที่จะบําเพ็ญสมะถะภาวนานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลนี่มันก็ต้อง คอยกำจัดอุปสรรคที่คอยขวางกั้นในการบําเพ็ญจิตตภาวนาซึ่งอุปสรรคที่คอยขวางกั้นการบําเพ็ญจิตตภาวนานี้เราก็เรียกว่านิวรห้ามีห้าข้อด้วยกันนิวรห้าที่จะคอยมาเป็นอุปสรรคขวางกัน้นการปฏิบัติ mm hmm. ก็จึงจําเป็นจะต้องมีมาตรการมาคอยกําจัดมัน เป็นนิวรณข้อที่หนึ่งเรียกว่าความลังเลสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ลังเลว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่พระรีสสงสาวกมีจริงหรือไม่คําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นความจริงหรือไม่ปฏิบัติตามแล้วจะได้ประโยชน์ได้ผลจริงตามที่ได้ศึกษาได้เรียนรู้หรือไม่ อันนี้ผู้ที่เริ่มปฏิบัติใหม่ๆเริ่มศึกษาใหม่ๆก็อาจจะเกิดความลังเลสงสัยได้อย่าให้มีการลังเลสงสัยเพราะเมื่อเกิดความลังเลสงสัยก็จะไม่มีความอยากที่จะศึกษาและปฏิบัติตามนั่นเองกลัวว่าจะถูกหลอกกลัวว่าศึกษาไปแล้วปฏิบัติไปแล้วจะไม่ได้ผลจะเสียเวลาไปเปล่าๆ อันนี้วิธีแก้ความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือเราก็ต้องเข้าใกล้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ mm hmm. เช่นพระพุทธเจ้าเราจะเข้าหาพ ร, พระพุทธเจ้าได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดว่าถึงแม้เราจะจากพวกเธอไปตอนที่ท่านใกล้จะเสด็จสวรรัรดิเสด็จ ด, ดับขันธ์พระประนิพาน mm hmm. ท่านทรงตัดว่าถึงแม้เราจะจากพวกเธอไปก็ตาม แต่พวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศ จ, จากเร า, าศาสนาเลยาศาสดาคือตถาคตนี้ยังอยู่กับพวกเธอต่อไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ในสวากขาโตภควตาธรร ม, มนี่อยู่ในธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วแล้วตอนนี้ธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วอยู่ที่ไหนก็มีบันทึกเก็บไว้ในพระไตรปิฎกนี่คำคำทีพระไตรปิฎกนี่แหละเป็นสวากขาโตภควตาธรรม เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ชอบแล้วผู้ที่อยากจะอยู่ใกล้พระาศาสดาผู้ที่อยากจะเห็นพระาศาสดาก็ขอให้ศึกษาพระธรรมคําสอนที่ได้มีบันทึกเก็บเอาไวน้นี้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นเราตถาคตผู้ที่จะเห็นตถาคตก็คือผู้ที่เห็นธรรมแล้วการศึกษาธรรมไปเรื่อยๆก็จะเกิดความเข้าใจขึ้นมา เรเกิดความเข้าใจก็จะเกิดมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา ก, ก็จะไ ม, ไม่ไม่ลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคำสอนหรือถ้าเรามีโอกาสได้อยู่ใกล้กับพระที่เราคิดว่าเป็นพระอริยสงฆ์พระที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบพระสุปฏิปันโนทั้งหลายการอยู่ใกล้ท่านเราก็จะได้ยินธรรมะอันแท้จริงธรรมะอันประเสริฐ ธรรมที่ได้จากการศึกษาและปฏิบัติขัดเกลอกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจการที่ได้อยู่ <S <S ใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสุปฏิปันโนทั้งหลายนี้ก็จะได้ยินได้ฟังธรรมแท้ฟังทั้งเหตุและฟังทั้งผลเมื่อฟังแล้วได้รับการยืนยันอย่างร้อยเอร์เซจากผู้แสดงธรรมแล้ว ความังเลยสงสัยมันก็จะไม่มีบางทียงมีอยู่แต่ต้องว่าต้องไปปฏิบัติเพื่อให้เห็นกับตาของตนเองเท่านั้นแต่เรื่องของการสาั่งการสอนเรื่องของการร่มเรียนนี้ไม่น่าจะมีความสงสัยต่อไปถ้าอยากจะรู้จริงเห็นจริงก็จำเป็นที่จะต้องทำการปฏิบัติหลังจากที่ได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้ว ก็จะไม่สงสัยเวลาปฏิบัตินี้ก็ทุ่มเทอินทรีย์ทั้งห้าให้กับการปฏิบัติทุ่มเทศรัทธาเต็มร้อยเชื่อเต็มร้อยสอนให้เจริญมรรคแปดก็จะเจริญมรรคแปดเต็มที่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโป้ความเห็นชอบความนําลัชอบสัมมากรรมโตการกระทําชอบสัมมาวาจาการพูดชอบสัมมาอาชีโวอาชีพชอบ สัมมาวายามโมความเพียนชอบสัมมาสติการลการละลิกรู้ชอบและสัมมาสมาธิความตั้งมั่นของจิตชอบอันนี้ก็จะรู้ว่านี่แหละคือทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทางสู่ความสงบทางสู่ความสุขที่เหนือ ก, อกว่าความสุขทั้งปวงอยู่ที่การเจริญมากแปดนี้เท่านั้นเองและองค์ประกอบของมากที่สำคัญ ที่ที่พูดถึงกันวันนี้ก็คือการบําเพ็ญจิตตภาวนาก็คือสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิและสา ม, มาทิติสัมมาสังกรปร น, นัส่วนสัมมากรรมโตสัมมาวาจาสัมม า, าชีวนก็คือศีลการรักษาศีลตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปศีลห้ายังไม่มีกําลังพอที่จะสนับสนุนการภาวนาจิตตะภาวนา ต้องเริ่มที่ศีลแปดถ้ายัางไปศีลแปดไม่ได้ก็เอาที่ศีลห้าไปก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มไปจนกว่าจะได้แล้วศีลนี้ก็จะสนับสนุนการเจริญการภาวนาสมถะภาวนาคือสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิเมื่อได้สัมมาสมาธิแล้วก็ไปขั้นสู่ขั้นปัญญา คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคโปรตามลำดับต่อไปถ้าได้อยู่ใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านจะไม่สอนเรื่องอนท่านจะสอนเรื่องมครคนี้มรที่มีองค์แปดสอนให้ทำความเพียรอยู่ตลอดเวลาให้ตแต่ตื่นจนหลับสอนให้ควบคุมกายวาจาให้ตั้งอยู่ในความสงบไม่มให้ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นและกับตนเอง ด้วยการรักษาศีลในระดับต่างๆถ้าอยู่ในศีลห้าก็รักษาศีลห้าไม่ให้บกพร่องถ้าอยู่ในศีลแปดก็รักษาศีลแปดไม่ให้บกพร่องถ้าอยู่ในศีลสองรอยี่บเจ็ดก็รักษาศีลสองรอยี่บเจ็ดไม่ให้บกพร่องแล้วก็เอาเวลาทั้งหมดมาเจริญความเพียรสัมมาวายโมคือเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับสลับกับการนั่งสมาธิ จนจะได้จกว่าจะได้อัปปนาสมาธิเป็นสมาธิที่ชอบสมาธินี้มีสองสมาธิคือความสงบที่เป็นสัมมาสมาธินี้มีอยู่สองขั้นด้วยกันขั้นแรกเรียกว่านิขานิกะสมาธิขั้นที่สองเรียกว่าอัปปนาสมาธิคณิกะสมาธินี้เป็นความสงบช่วงงูงแลบดิือชั่วงฟ้าแลบ เป็นสมาธิของผู้ที่เพิ่งทุ่งฝึกฝึกสมาธิใหม่ๆกำลังสติยังมีไม่มากพอไม่มากพอที่จะทำให้จิตสงบได้นานมีสติพอที่จะควบคุมความคิดหยุดความคิดทำให้จิตรวมดิ่งลงจากที่ที่สูงลงมาแต่เพียงสงบเพียงเชื่อแค่งูแลบหรือหรือเชื่อฟ้าแลบเท่านั้นแล้วก็ถอนออกมา สมาธิแบบนี้เราเรียกว่าคณนิกะสมาธิซึ่งผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่ก็จะเจอกับคณนิกะสมาธิก่อนพอได้คณิกะสมาธิแล้วก็จะเกิดความศรัทธาความยินดีที่อยากจะปฏิบัติสมาธิด้วยการเจริญสติให้มากขึ้นก็จะพยายามหาเวลามาเจริญสติเคยทำงาน ทำงานมากขึ้นก็จะเริ่มลดละการทางานลงทำงานเพียงเพื่อเลี้ยงชีพก็พอไม่รู้จะเอาเงินทองไปทำไมเงินทองซื้อความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้และเงินทองนี่แหละเป็นตัวที่ไปซื้อความทุกข์มาด้วยเพรเมื่อมีเงินทองก็จะต้องทุกข์กับเงินทองถ้ายังต้องอาศัยเงินทองมาเป็นเครื่องมือในการดับความทุกข์ซื้อความสุข เวลาเงินทองมันหมดมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้ดงนั้นผู้ปฏิบัติผู้ที่ได้เห็นความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้เงินทองแล้วก็จะเริ่มลดการหาเงินหาทองหาเท่าที่จำเป็นก็คือเลี้ยงดูร่างกายไปเท่านั้นเองมีปัจจัยสี่แบบสมถะเรียบง่ายพออยู่พอกินไปวันวันหนึ่งเพื่อให้ร่างกายมัน มีสัก์สุขภาพที่ที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายนี้มาให้กับการปฏิบัติสติสมาธินั่นเอง mm hmm. ก็จะเริ่มลดการทำงานหาเงินหาทองลงเริ่มลดภาวะของการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นคือภารกิจทางสังคมต่างๆก็จะตัดไปตามลำดำับนะเพอเพื่อที่จะได้เอาเวลาที่ไปใช้กับการ ทำงานหาเงินหาทองหรือเอาเวลาที่ไปเกี่ยวข้องกับงานสังคมต่างๆเพื่อจีเยได้เอาเวลาเหล่านี้มาให้กับการปฏิบัตินี้เองมาเจริญสติมานั่งสมาธิให้มากขึ้นเพราะรู้ว่าความสงบจะมากหรือนจะมากขึ้นหรือน้อยลงนี้ก็อยู่ที่การปฏิบัตินี้เอง เพราะเวลาที่ไม่ปฏิบัติก็จะเห็นชัดเจนว่ามไม่ไม่สงบจิตไม่สงบเลยถ้าไม่ปฏิบัติถ้าไม่มีการเจริญสติเลยนี้จิตจะไม่มีอาการสงบเลยมีแต่อาการฟุ้งซ่าน<ม>แต่พอมีเวลาที่จะเจริญสติคอยควบคุมความคิดปรุงแต่งคอยคิดควบคุมกิเลสตัณหาได้อาการสงบก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมาให้เห็นนั้นจะเห็นคุณค่าของการมีเวลาให้กับการปฏิบัติ ก็จะพยายามหาเวลามาให้กับการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็อาจจะพร้อมที่จะไปอยู่แบบนักบวชต่อไปถ้าได้เป็นนักบวชแล้วก็ก็จะมีเวลามาให้กับการปฏิบัติได้เต็มที่เลยแต่ต้องไปบวชกับสำนักที่มีการปฏิบัติเท่านั้นถ้าไปบวชกับสำนักที่ไม่มีการปฏิบัติก็จะเสียเวลา เขาจะไม่มีเวลาปฏิบัติดาก เ, เวลาไปทําภารกิจอย่างอื่นแทนซึ่งมันไม่จําเป็นจะต้องทำแต่เขาทํากันจนติดเป็นกลายเป็นเรื่องสําคัญไปกลายเป็นเรื่องจําเป็นไปชเช่นภาระทางด้านบุญบางสังสวดก็ดีหรือภาระทางด้านการศึกษาพระธรรมวินัยก็ดีซึ่งบางทีมันศึกษามากเกินต่อความจําเป็นต่อการที่จะเอามาใช้ ในภารกิจของการทําจิตใจให้สงบเขาจะเสียเวลาไปกับภารกิจต่างๆเหล่านี้ถ้าไปบวชอยู่กับวัดที่ไม่มีการปฏิบัติเขาก็จะมีแต่ภารกิจทางด้านบุญบางสังส่วนภารกิจทางด้านปริยัติธรรมศึกษาคัมภีร์ต่างๆศึกษาพาระบาลีต่างๆแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นเครื่องมือมันไม่ได้เป็นองค์มรรคที่จะทําให้จิต สงบทําให้จิตหยุดพ้นจากความทุกข์งั้นอย่าไปเสียเวลากับการเรียนอะไรที่ไม่จําเป็นจะต้องเรียนเรียนเท่าที่จําเป็นนะ<ม>สิ่งที่ต้องเรียนก็มรรคแปดเท่านั้นเองก็พอให้รู้ว่ามรรคแปดเป็นอย่างไรแล้วจะต้องปฏิบัติแต่ละข้ออย่างไรนี้นเท่านั้นก็พอเอาเวลามาจะได้เอาเวลามาให้กับการการปฏิบัติมรรคแปด เราแปดศีลแล้วก็รักษาไปสัมมากรรมโตสัมมาวาจาสัมมาวายสัมมาอาชิวะ<ม>เราก็ไม่ทําบาป<ม>ไม่เบียดเบียนผู้อื่นทําไม่ทําอาชีพที่ไปเบียดเบียนมไม่ทําอาชีพที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นต้น<ม>ถ้าเป็นนักบวชก็อาชีพก็บินธบาตอาชีพที่ดีที่สุดสัมมาอาชิวะของนักบวชก็คือการบินธบาตเพราะการบินธบาตินี้เป็นการ ยิงนกได้สองตัวด้วยกันยิงนกด้วยกระสุนนั้นเดียวได้สองตัวผู้รับก็ได้ประโยชน์ผู้ให้ก็ได้ประโยชน์ผู้รับก็คือพระที่ไปบิณฑบาตก็จะได้อาหารมาเลี้ยงดูร่างกายและปัจจัยสีอย่างอื่นบางทีนอกจากอาหารก็จะมีญาติโยมถวายพาสตายให้ด้วยถวายหยูกยาให้ด้วยอันนี้ก็จะได้ได้ประโยชน์ของพระผู้ปฏิบัติ ผู้ให้ก็ได้ประโยชน์คือได้มีโอกาสได้ทําบุญได้สร้างสวรรค์ขึ้นมาในจิตก่อนผู้ที่จะออกปฏิบัติขั้นสูงได้นี้จะต้องผ่านขั้นต่ํำไ้ก่อนก็คือการขั้นการทําบุญทําทานไม่ตนันีไม่ไม่หวงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองรู้ว่าเงินทองเป็นของชั่วคราวตายไปก็เอาไปไม่ได้เก็บไว้ถ้าไม่ได้ใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์เลย ถ้ามาแปลงเป็นบุญมาทำเป็นบุญเสียบุญนี่แหละเป็นสิ่งที่จะเอาติดตัวไปได้ที่จะส่งให้จิตถ้ายังติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ mm hmm. ก็ยังจะเวียนว่ายตายเกิดในสุคติไปเรื่อยๆ mm hmm. คนที่ทําบุญทําทาน mm hmm. ก็มักจะรักษาศีลไปด้วยเพราะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่น mm hmm. จะไม่อยากให้ผู้อื่นเขาเสียหายหเดือดร้อน mm hmm. mm hmm. ก็จะมีศีลขึ้นมาโดยอัตโนมัติ mm hmm. ก็ว่าได้ mm hmm. จะไม่เบียดเบียนจะมีแต่ให้ความสุขแก่ผู้ด้วยความเมตตาอันนี้ถ้าทําเป็นนิสัยแล้วจิตมันก็จะติดไปทุกภพทุกชาติมันก็จะเวียนว่ายตายเกิดในสุคติตายไปก็ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นต่างๆพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็กลับมาทําบุญรักษาศีลใหม่ไปก็จะเวียนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเริ่มมีความสนใจ อยากจะได้ความสุขที่มากกว่าความสุขที่ได้จากการทําบุญทําทานก็จะเริ่มมาศึกษาวิธีการปฏิบัติจิตจิตตภาวนาเนี่ยเอง mm hmm. อ, อันนี้เคพูดถึงเรื่องของการคานิกะสมาธิกับอุปอั ป, ปนาสมาธิ mm hmm. พอได้สัมผัสแล้วมันก็อยากจะทําให้มีความติดอกติดใจ อยากจะได้มันมากขึ้นอยากจะให้มีทั้งวันทั้งคืนเลยเดินเวลาอยู่ในสมาธิก็สุขเวลาออกจากสมาธิก็สุขแต่พอสุขนั้นมันจางหายไปก็ต้องใช้สติสร้างดึงมันกลับขึ้นมาใหม่กลับไปนั่งสมาธิใหม่ดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติแล้วต่อไปก็จะเริ่มเห็นความสําคัญของสติตลอดเวลาไม่ใช่แต่เฉพาะเวลานั่งสมาธิเท่งนั้นที่ต้องมีสติก่อนจะนั่งสมาธิก็ต้องมีสติ ถึงจะเข้าสมาธิได้ถ้าไม่มีสติเวลานั่งสมาธิมันจะไม่มันจะฟุ้งซ่านมันจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันจะไม่อยู่กับคำบริกรมพุทโธพุทโธหรือมันจะไม่อยู่กับการดูลมหายใจเข้าแต่ถ้าจเจริญสติอยู่ตั้งแต่ตื่นจนมาถึงเวลาที่นั่งสมาธินี่จิตจะไม่คิดมากคิดน้อยแลวเวลานั่งถ้ามีสติต่อเนื่องเดี๋ยวจิตก็รวมลงสู่สมาธิได้ และพอจากสมาธิมาถ้าไม่ควบคุมจิตด้วยสติเดี๋ยวมันก็เริ่มคิดฟุ้งซ่านคิดไปในทางกิเลสตัณหาสร้างทำลายความสงบที่ได้จากสมาธิไปหมดผู้ปฏิบัติพออยู่ขั้นนี้แล้วจะเริ่มเห็นความสำคัญของสติตลอดเวลาดังที่พุทธเจ้าทรงตรัสว่าสตินี้เป็นสิ่งที่สำคัญในทุกกรณีไม่ว่าจะก่อนนั่งสมาธิก็ดีไม่ว่าในช่วงที่กาลังนั่งสมาธิก็ดี ไม่ว่าช่วงที่หลังออกจากสมาธิมากดีอยู่ปราศจากสติไม่ได้เลยเอเวลาใดไม่มีสติแล้วเดี๋ยวกิเลสตัณหามันจะเข้ามาทันทีมันจะมาสร้างความวุ่นวายให้กับใจทันที mm hmm. ผู้ปฏิบัติจะรู้เอง mm hmm. การปฏิบัตินี่มันจะเป็นการสอนไปในตัวด้วย mm hmm. จะรู้ว่าอะไรควรจะทำอะไรไม่ควรจะทำเพียง mm hmm. แต่ว่าบางครัง้ง mm hmm. บางคราวอาจจะรู้รู้ รู้ไม่แล้วรู้อาจจะฉลาดน้อยอาจจะอาจจะรู้ไม่ไม่ไมทันการทันเวลาก็ต้องอาศัยถ้าอยู่ใกล้ใกล้ครูบาอาจารย์ท่านนีก็จะคอยกระตุ้นอยู่เรื่อยๆคอยเตือนอยู่เรื่อยๆอย่าเผลอสติเนี่ยเวลาอยู่ต่อหน้าครูบาอาจารย์นี่พอเผลอสติปั๊บนี้ท่านจะกระตุ้นท่านยังกระตุ้นทันทีนท่านจะ พูดหรือกระทาอะไรอย่างหนึง่งทําให้เรื่อนี้ได้สติกับคืนมาทันทีเวลายืนต่อหน้าท่านนี้มันนักจะมีสติตลอดเวลาเพราะกลัวจะถูกท่านกระตุ้นขึ้นมาท่นนี่เพราะเวลากระตุ้นทีมันไม่ใช่กระตุ้นแบบสบายๆมันเจ็บแสบไปในตัวด้วยโดนด่าทีนี้มันรู้สึกมันแห่มันเจ็บแสบยังต้องพยายามระมัดระวังทําอะไรไม่ให้ท่านดุท่านว่าได้อันนี้แหละ การได้อยู่ ใ, นในกล้ๆครูบาอาจารย์ผู้เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชาบนี้ท่านจะช่วยคอยดึงเราให้เข้ากลับในแนวของมรรคแปดอยู่เรื่อยๆไม่ให้เราเผลอสติเวลาทำอะไรนี้ต้องทำให้ถูกทำให้เรียบร้อยทำให้รวดเร็วแล้วทำให้ไม่มีการส่งเสียงดังด้วยทำอะไรถ้าไปอยู่ในวัดป่านี้มีพระกี่รูปนี้ เวลาท่านทำอะไรนี้แทบจะไม่มีเสียงเลยไม่มีเสียงกระทบของช้อนของบาทของอะไรไม่มีการเสียงของการขบเคี้ยวไม่มีเวลาทำภารกิจอะไรก็ไม่มีเสียงกระโตกกระตากเวลาพูดคุยกันท่านก็พูดกันเบาๆอันนี้เป็นคุณลักษณะของผู้ที่มีสติจะทำอะไรด้วยความระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาไม่พังไม่เผลอ เป็นการฝึกสติไปในตัวด้วยอันนี้พอได้คณิกะแล้วทีนี้ขั้นต่อไปก็อยากจะได้อัปปนาสมาธิอยากจะให้มันสงบนานๆนานก็ต้องจเจริญสติให้มากขึ้น<ม>บ่อยขึ้นตลอดเวลาทาให้มันสัมปะชญะญขึ้นมาให้ได้ถ้าจะไม่เผลอเลยเบื้องต้นอ่จจะได้สติห้าสิบห้าสิบก่อนได้สติห้าสิบขาดสติห้าสิบ แต่ต่อไปก็จะเพิ่มเป็นหกสิบสี่สิบเจ็ดสิบสามสิบพอเพิ่มสติขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆเท่าไหร่เ mm hmm. วลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้ง่ายได้เร็วได้นานขึ้นไปเรื่อยๆจนต่อไปก็จะได้อัปปนาสมาธิเ mm hmm. ข้าสมาธิตีก็จิตเริ่มสงบนานขึ้นห้านาทีบ้างสิบนาทีบ้างยี่สิบนาทีสามสิบนาที mm hmm. จะสงบได้ไปเรื่อยๆช mm hmm. ุกครั้งที่จิตสงบก็รู้สึก คุ้มค่าคุ้มค่าหนื่อยคุ้มค่ากับการที่เราได้เสียสละความสุขทางโลกมาเสสละความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะคุ้มค่ากับข่าเหนึ่งข้าหนึ่อยที่ต้องหมั่นเจริญสติคุ้มค่ากับการอยู่แบบอดอยากขาดแคลนอยู่แบบสมถะเรียบง่ายพอผลที่ได้จากการปฏิบัติมันคุ้มค่ามันมันได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการอยู่แบบสุขสบายทางทางร่างกาย สมัยที่ไม่ได้บวชนี่สุกกายแต่ใจนี่ทุกข์เหลือเกินทุกข์เพราะควา ม, มความเพราะกิเลสตัณหานี่เองไม่ได้เพราะเรื่องอะไร<ม>พอมาปฏิบัติมาคอยลดละกำจัดกิเลสตัณหา<ม>ความทุกข์ทางใจก็ลดน้อยลงแต่ความทุกข์ลำบากทางร่างกายอาจจะมากขึ้นแต่ก็ไม่เป็นประเด็นสำคัญเพราะความทุกข์ทางร่างกายมันเป็นมันเป็นส่วนย่อยเมื่อเปรียบเทียบกับความทุกข์ทางใจ ระหว่างความสุขทางกายแล้วกับความทุกข์ทางใจกับระหว่างความทุกข์ทางร่างกายกับความสุขทางใจอย่างไหนจะดีกว่า <c oughs> ความสุขทางร่างกายกับความทุกข์ทางใจนี่ที่มันได้ความสุขทางร่างกายแต่ต้องเจอกับความทุกข์ทางใจมันนุนแรงกว่าความทุกข์ทางใจมันนุนแรงกว่าต่อให้อยู่ในค า, าราฮาร์มหาเศรษฐีต่อให้ไปกินอาหารร้านอาหารห้าดงห้าดาวก็ตามเถอะ สุขทางกายแต่ถ้าใจเครียดใจทุกข์ใจวิตกใจกังวลความสุขที่ได้ทางกายนี้มันแทบจะหายไปเลยต่างกับความความทุกข์ทางกายของผู้ที่อยู่แบบสมถะเรียบง่ายอยู่แบบอดอยากขาดแคลนอยู่แค่กินวันละมือ้อนอนกระดนินกินกระส่ายอยู่แบบสมถะเรียบง่ายตามมีตามเกิดแต่ใจนี่สงบตาศ จ, จากกิเลสตัณหาความสุขที่ได้จากความสงบนี้มัน มันไปคลุมมันไปกบความทุกข์ทางกายไปหมดเลยจนรู้สึกว่าความทุกข์ทางกายนี้ไม่ได้เป็นความทุกข์แต่อย่างใดไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดอยู่กับมันได้อย่างสบายอันนี้แหละคือความวิเศษที่เราจะได้รับจากความสงบที่เกิดจากความสุขที่เกิดจากความสงบเบื้องต้นเราก็เอาเราต้องทำให้มันสงบด้วยการเจริญสติก่อนเพราะหนึ่ง การเจริญสตินี้มันง่ายกว่าการเจริญปัญญาสองการเจริญปัญญานี้ก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะเจริญปัญญาได้เพราะยังไม่รู้ว่าเจริญปัญญาเพื่ออะไรแต่พอได้ความสงบแล้วถึงจะเข้าใจว่าที่เราต้องมาเจริญปัญญาต่อไปก็เพราะว่าเราจะได้เอาปัญญานี้มากำจัดตัวที่มาสร้างความไม่สงบให้กับใจก็คือกิเลสตัณหานั่นเองแล้วถ้าเรามีปัญญาสามารถใช้ปัญญากำจัด กิเลสตัณหาที่มาสร้างความไม่สงบให้กับใจได้ mm. พอกิเลสตัณหาตายไปหมด mm. ใจก็จะสงบโดย mm. โดยธรรมชาติของมันทันทีไม่ต้องไปเข้าสมาธิก็ได้น mm. อันนี้จึงต้องแบ่งเป็นสองขั้นตอน mm. เป็นเหมือนเป็นระดับปริญญาสองระดับเลยก็ได้จะเปรียบเทียบว่าสมาธินี้เป็นการอยู่ในระดับปริญญาตรีก็ได้ mm. ส่วนระดับ ปัญญานี้ก็แบ่งเป็นสองระดับระดับปรญญาโทกับปิญญาเอกต้องทำเป็นขั้นๆไปไม่ใช่เอามาปนกันเลยหมดบางคนคิดว่าพอนั่งสมาธิจิตนิ่งหน่อยแล้วไปวิปัสสนาเลยไปเจริญปัญญาเลยไปเถิดไปยังไงก็ไปไม่ถึงมันยังไม่มีกำลังพอที่จะสู้กับกิเลสตัณหาไดออ้สิ่งที่จิตต้องการในเบื้องต้นก็คืออุเบกขาความนิ่งความสงบที่ได้จากสมาธิ ถ้าจิตนิ่งสงบได้นานเท่าไรอุรเบคาคือกาำลังที่จะต้านกิเลสก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆต้องมีกำลังที่จะต้านกิเลสก่อนแล้วถึงค่อยไปเจริญปัญญาเพื่อให้รู้ว่าทำไมเราต้องต้านต้องต้านกิเลสเพราะกิเลสเป็นตัวเผาใจเราเนั่นเองตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจเราถึงแม้มันจะหลอกให้เราไปหาสิ่งที่คนในโลกสรรเสริญหลอกให้เราไปหาราบยศสรรเสริญ ส, สุขมา มาเสพก็าตามแต่เราจะเห็นว่ามันเป็นมันเป็นของเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ร่อยกว่าความสุขที่ได้จากการกําจัดกิเลส ต, ตัณหาให้มันหมดไปจากใจ เ, เราต้องเห็นตรงนี้ด้วยแล้วกิเลสจะมาหลอกเราไม่ได้จะหลอกให้เราไปหาราภยศรเสริญสุขไม่ได้เพราะเราจะเห็นว่าราภยศสเสริญสุขนี่มันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยง มีเจริญเมือนก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมาทุกอย่างในโลกนี้มันอยู่ในกรอบของราบยศรเสริญสุขได้ราบมาเดี๋ยวราบก็เสื่อมได้มีการเจริญราบก็มีการเสื่อมราบได้มียศก็มีการเสื่อมยศได้มีสรรมีสรรเสริญก็มีนินทาได้มีสุขก็มีทุกข์ได้ถ้าไปยุ่งกับโลกธรรมทั้งสีนี้แล้วจะต้องเจอ เจอความเสื่อมของโลกธรรมเพราะมันเป็นอ น, นิจจังมันเป็นของไม่แน่นอนมันเป็นของที่ยังต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เวลามันจเจริญ ม, มันก็นำความสุขมาให้เวลามันเสื่อมมันก็จะนำความทุกข์มาให้อันนี้พิจนารณาด้วยปัญญาแล้วก็จะเห็นเห็นตายลักในสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่จิตถูกปเลศหลอกให้ไปแสวงหากัน ไม่ว่าจะเป็นรากยศสะละเสินสุขก็ตามหรือร่างกายก็ดีเวทนาก็ดีอารมณ์ในจิตก็ดีเอาเหล่านี้ก็ล้วนเป็นไต่หลักทั้งสิ้นที่ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนานจำเป็นที่จะต้องเห็นชัดเจนว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขการไปรยึดไปติดการไปอยากให้สิ่งเหล่านี้อยู่กับตนไปตลอดนี่จะนําความทุกข์มาให้มากกว่าจะให้ความสุขอันนี้เป็นขั้นของวิปัสสนา แต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นมีปัสนาได้นี้จิตต้องชำนาญในสมาธิก่อนสามารถเข้าออกสมาธิได้ทุกเวลาที่ต้องการ<ม>เข้าได้อย่างง่ายได้และรวดเร็ว<ม>ไม่ใช่มาค่อยๆล้มลุกคลุกคายกว่าจะเข้าสมาธิได้เป็นเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีอย่างนี้อย่างนี้ยังใช้ไม่ได้<ม>เข้าสมาธิต้องเข้าแบบปุ๊บปั๊บได้เลยเข้าปุ๊บได้ปั๊บเลย<ม>ชานาญเพราะจำเป็นจะต้องอาศัยสมาธิเวลา ที่จะต้องต่อสู้กับกิเลสตัณหาเวลาจเจริญปัญญาบางทีกิเลสตัณหามันมีกําลังมากกว่าบางทีก็หยุดมันด้วยปัญญาไม่ได้ก็ต้องใช้การเข้าสมาธิไปหยุดมันไว้ก่อนพิจารณาธรรมะไปเรื่อยๆแทนที่จะจิตจะสงบจิตกับรุ่งสร้างขึ้นมาก็มีจิตอาจจะเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาก็ดีเพราะนั้นถ้าหยุดมันด้วยปัญญาไม่ได้ก็ต้องใช้สมาธิต้องกลับเข้าไปในสมาธิก่อน ดังนั้นสมาธินี้เป็นเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการที่จะสนับสนุนในการเจริญปัญญาในการสอนปัญญาให้เห็นให้เห็นภัยของของสิ่งต่างๆว่าเป็นทุกข์ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับให้มันเที่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทัพสมบัติเก้าของเงินทองนี้เราก็ต้องทุกข์กับมันทุกข์เพราะรู้ว่ามันไม่แน่นอน ไม่รู้ว่ามันจะหมดเ ม, มื่อไหร่เวลามันหมดแล้วมันก็จะทำให้เราทุกข์กัน<ม>แต่ถ้าเราไปอาศัยมันเราก็ก็ต้องพยายามหามันอยู่เรื่อยๆ<ม>แล้วถ้าหาไม่ได้ก็ต้องเจอกับความทุกข์<ม>ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปหาเงินทองให้มาหาสติแทน<ม>อย่าไปหาสตังค์สตังค์แล้วหาสตังค์แล้วจะทุกข์แต่าหาสติแล้วจิตจะสงบถ้ามีสติแล้วจิตจะสงบ ถึงแม้ไม่มีสตังจิตก็จะไม่ทุกข์จิตก็จะมีความสุขได้อยู่แบบขอทานได้ไม่มีสตังก็อยู่แบบขอทานได้ถ้ามีสติเนี่ยพระอริยบุคคลทุกรูปเนี่ยเป็นพระเป็นขอทานทั้งนั้นท่านอยู่ด้วยการขอแต่ท่านอยู่ได้อย่างมีความสุขเพราะท่านมีสติจิตของท่านสงบท่านไม่ได้กัวงวลเกี่ยวกับเรื่องการขอว่าจะได้มากได้น้อยได้มากท่านก็ยินดีได้น้อยท่านก็ยินดี ไม่ได้เลยท่านก็ยินดีท่านพร้อมที่จะอดตายได้เสมอเพราะท่านเห็นด้วยธรรมแล้วว่าร่างกายมันก็เป็นของที่ไม่เที่ยงวันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องตายอยู่ดีต่อให้เลี้ยงมันอย่างอินหมีพีมันอย่างไรถึงเวลามันก็ต้องตายเวทนาคือความทุกข์ที่เกิดจากทางร่างกายเช่นเกิดจากความหิวมันก็เป็นเรื่องปกติมันก็ต้องมีอยู่เรื่อยๆความทุกข์ทางร่างกาย ไม่ทุกเกี่ยวเรื่องกับความหิวเดี๋ยวเขมาทุกกับเรื่องอโรคภัยไข้เจ็บมันมีเรื่องให้ทุกอยู่เรื่อยๆแต่ผู้ที่เข้าใจเรื่องเวทนาความทุกข์ของร่างกายและสอนใจให้ปล่อยวางได้อยู่กับมันได้ก็ไม่เดือดร้อนดังนั้นท่านยังไม่เดือดร้อนเวลาที่ท่านอยู่แบบขอท า, านกันปดได้กินปดมือ้อกินมือก็ได้อดหลายๆมือค่อยมากินทีก็ได้เพราะใจท่านไม่หิวใจท่านไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีความอยาก ท่านไม่มีความทุกข์ไม่มีความกังวลกับเรื่องของลาบ<ม>ว่าจะมีหรือไม่มีเพราะท่านไม่มีลาบท่านอยู่ด้วยการให้ของผู้ อ, อยู่ด้วยการขอ<ม>อยู่แบบสบาย<ม>อยู่แบบสุขยินดีตามมีตามเกิดได้มากได้น้อยก็พอใจ<ม>อันนี้แหละคือความสุขของ<ม>ของผู้ที่ปฏิบัติธรรมผู้ที่ปฏิบัติธรรมนี้จะมีความสุขทางด้านจิตใจ ส่วนความทุกข์ยากลําบากของทางร่างกายนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เป็นเรื่องสําคัญเลยเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องทุกขยากลําบากกับร่างกายไม่ว่าจะเป็นมาเสษฐีก็ต้องทุกขยากลําบากกับร่างกายถึงเวลาที่ร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยถึงเวลาที่ร่างกายมันทําอะไรไม่ได้นี่ก็ไม่มีใครไม่มีเงินทองกองเท่าภูเขาที่จะมา มาแก้ปัญหานี้ได้แต่ใจของผู้ที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัตินี้จะทุกข์มากเวลาที่เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายอั น, นี้แหละคือเรื่องของเวลาบำเพ็ญจิตตภาวนาท่านจะให้ความสําคัญกับเรื่องของการดูแลจิตใจให้สงบพยายามที่จะลดภาร ะ, ะเกี่ยวกับการที่จะต้องไปเครื่งพาสายสิ่งต่างๆ มาให้ความสุขกับใจเพราะสิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกใจนี้มันเป็นของไม่เที่ยงเหมือนของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปไม่แน่นอนมันก็จะสร้างความวิตกกังวลไปเรื่อยๆถ้าไปอาศัยราบยศเสริญสุขก็ดีอาศัยร่างกายก็ดีอาศัยสุขเวทนาของร่างกายก็ดีอาศัยขวาวมที่ที่สุขของใจก็ดี ก็ยัต้องผิดหวังเพราะว่ามันเป็นของไม่แน่นอนมันของที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆอย่าไปหวังมาหวังอยู่ที่ความสงบของใจดีกว่าด้วยการเจริญสติและการเจริญปัญญาตามลําดับถ้ามีสมรรถภาวนาแล้วทําจิตใจให้สงบได้แล้วชํานาญในการเข้าออกสมาธิแล้วทีนี้ค่อยไปทางปัญญาเวลาที่ออกจากสมาธิมาแต่ยังก็ยังทิ้งการปฏิบัติสมาธิไม่ได้สมาธิก็ยังต้องปฏิบัติ เหมือนเดิมเพียงแต่เวลาที่ออกจากสมาธิมานี้แทนที่จะเจริญสติเช่นพุทธา น, นุสติพุทโธพุทโธก็เปลี่ยนมาวิมาเจริญปัญญาแทนมาดูจิตล้ทีนี้ดูว่าจิตตาตอนนี้ทุกข์กับเรื่องอะไรหรือเปล่าจิตเราวุ่นวายกับเรื่องอะไรหรือเปล่ากังวลกับเรื่องอะไรหรือเปล่ากังวลกับเรื่องใดก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นตายรักเป็นของที่ของไม่เที่ยงเป็นของที่จะทําให้เราทุกข์ได้ถ้าเราไปยึดไปติด ไมต้องการให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาพอเห็นแล้วว่ามันทุกความทุกเกิดจากความอยากของใจ<ม>ก็หยุดมันได้ด้วยปัญญา<ม>หยุดมัญได้ด้วยสมาธิกำลังของสมาธิคื อ, อเบคขา<ม><ม>ปล่อยวางได้ทุกข์กับร่างกายก็ปล่อยวางได้กลัวว่าร่างกายจะเจ็บจะตายก็ปล่อยวางได้เพราะพิจารณาแล้วว่าเห็นว่าร่างกายมันไม่เที่ยงมันจะต้องเจ็บมันตต้องตายไปทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ถ้ามันไม่ได้ถ้าอยากให้มันไม่ไม่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะทุกข์ไปเ่าๆมันก็จะหยุดได้หยุดความทุกข์ทางใจได้อันนี้แหละคือขั้นวิปัสสนาคือขั้นระงับดับความทุกข์ด้วยการดับความอยากต่างๆเพราะความอยากนี้เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจถ้าอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะทุกข <sewer> ์ถ้าอยากจะไม่ทุกข์เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยากไปอยากให้มันไม่เจ็บ ปมันเจ็บไปมันจะเจ็บมันจะเป็นโรคอะไรก็เป็นไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปหรือถ้ามันจะต้องตายก็ต้องปล่อยให้มันตายไปอันนี้ล้วใจก็จะไม่ทุกข์นี่คือเรื่องของวิปัสสนาต้องใช้ปัญญาคอยสอดส่องดูแลความทุกข์ว่าเกิดขึ้นในใจหรื อ, อยัง ถ้ายังไม่เกิดก็เตรียมตัวไว้ก่อนก็ได้ทําการบ้านไว้ก่อนก็ได้เรื่องความแก่ความเจ็บความตายนี่มันต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนเราจะต้องเกิดความทุกข์อย่างแน่นอนเพราะไม่มีใครอยากแก่ไม่มีใครอยากเจ็บไม่มีใครอยากตายแต่ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องซ้อมสอนใจว่าต่อไปนี้เราอยากไปอยากไม่แก่นะอย่าไปอยากายไม่เจ็บอย่าไปอยากายไม่ตายมันต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเตรียมทําข้อสอบไว้นี่คือข้อสอบของชีวิตของเราคือความแก่ความเจ็บความตาย เตรียมตัวไว้พอ <Yeah. S 1> ถึงเวลามันแก่เราก็จะได้เฉยๆได้อยู่กับมันได้เวลามันเจ็บเราก็อยู่เฉยๆกับมันได้เพราะเรารู้ว่าพอเราไมอยากให้มันไม่เจ็บอยากให้มันหายมันจะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมานั่นเองถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเราก็ต้องฝึกปล่อยวางนั่นเองปล่อยวางความแก่ปล่อยวางความเจ็บปล่อยวางความตายอันนี้วิปัสสนาก็จะมีแบ่งเป็นสองตอนด้วยกันคือตอนทําการบ้านและตอนทําข้อสอบ ข้อสอบยังไม่มาเราก็ทําการบ้านไปก่อนสอนใจเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ไปก่อนหรือถ้าเกิดถ้าเกิดข้อสอบมันมาก่อนทําการบ้านก็ต้องทําข้อสอบเลยเป็นอยู่ดีๆไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งเสร็จแล้วยังไม่ได้ทําการบ้านเลยจะทำไงก็ต้องทําข้อสอบไปพร้อมๆกับทาการบ้านไปเลยรีพิจารณาเลยว่าร่างกายมันต้องเจ็บร่วมพ้นจากความเจ็บไขยได้ป่วยไปไม่ได้มันจะต้องตายร่วมพ้นความตายไปไม่ได้ ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อยากไปอยากให้มันไม่เจ็บอยา่าไปอยากให้มันไม่ตายก็จะหายทุกข์ทันทีแล้วอยู่กับความเจ็บได้อยู่กับความตายได้อย่างสบายอันนี้คือขั้นของมิปัสนาภาวนาที่จะต้องรอให้ขั้นของสมถะภาวนาคือความสงบนี้ชํานาญก่อนหนักแน่นก่อนมีพลังมากก่อนมีอุเบกขามากสามารถหยุดใจได้ทุกเวลานาทีสามารถหยุดกิเลสตัณหาได้เมื่อปรญยายสอนให้หยุด แล้วถึงค่อยไปขั้นปัญญาต่อไปกาจัดตัวที่มาสร้างความมาทําลายความสงบที่ได้จากสมาธิคือตัวกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจพอหมดแล้วทีนี้ก็ไม่มีอะไรต้องให้ทํำอีกต่อไปใจจะไม่ทุกข์กับอะไรต่อไปเพราะเหตุที่ทําให้ใจไปทุกข์นั้นได้ถูกกาจัดด้วยปัญญาด้วยตจละอันนี้จังทุกขังอนัตตาด้วยอริยสัจ ส, สีทุกขสมุทัยนิโรธมรรคจนหมดสิ้นไปจากใจแล้ว ความทุกข์ก็ไม่มีอยู่ในใจต่อไปและใจก็จะไม่ไฝ่ค้าไปหาความทุกข์มามาม า, มามามาใหม่อีกด้วยการไปเกิดใหมอ่อีกใจที่ได้กำจัดกิเลสตัณหาหมดสิ้นไปจากใจแล้วจะไม่ไปเกิดอีกต่อไป ใ, ใจนี้เราก็เรียกวันนิพพานแต่ไม่หายไปไหนนิพพานไม่ได้สูนสิ่งที่สูนคือกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจ สิ่งที่สูญคือความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากกิเลสตัณหาสิ่งที่สูญคือภพชาติการเวียนว่ายตายเกิดสิ่งเหล่านี้สูญไปจากใจหมดแต่ตัวใจเองไม่สูญเหมือนกับเสื้อผ้าที่เราไปซักพอเาซักเสื้อผ้าเสร็จคราบสกปรกที่อยู่ติดเสื้อผ้าก็หายไปจากเสื้อผ้าแต่เสื้อผ้าไม่หายไปกับการซักเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็ยังอยู่ใจที่ได้รั บ, รบการซักฟอกด้วยการปฏิบัติจิตภาวนาก็เช่นเดียวกัน ไม่ได้หายไปกับการซักพ่อใจก็ยังอยู่ต่อไปอยู่อยู่ในโลกทิพเหมือนกันตลอดเวลาใจไม่ได้ย้ายที่อยู่ที่แต่ย้ายสถานภาพจากใจที่เวีนว่ายตายเกิดมาเป็นใจที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอ น, นี่คือจะผลที่จะเกิดตามขึ้นมาถ้าสามารถปฏิบัติจิตภาวนาที่เอามาสแสดงฝากท่านในวันนี้ได้การสแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พอรอนยะถ า, าวาเลวาหาปูราปาริปุเรนติสาคะลังเอวเมวะอิโตจินังเปตานังอุ ป, ปกะปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปเมวะสมิชฉาตุสัพเพปุเรนตุสังกะปา จันโทปนะระโสยธามณนีโชติอะระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวะตวันตรายโยสุขีขีขายุโกภวะอภิวาทนะสิลิจนะนิจจังวุฒาปจายีโน ชตารธุธามาวัทันติอายุวันโอสุขังภาลัง<า>ช่วงต่อไป น, นี้ก็เป็นช่วงถามตอบคาถามใครมีคาถามอะไรอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียวเพราะหลังจากเลอกแล้วจะไม่สะดวกงั้นถ้าอยากจะถามอะไรก็ถามตอนนี้ ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เดี๋ยว เ, เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แต่วันนี้เราจะมีชาวต่างชาติเดี๋ยวก่อนที่จะถามภาษาไทยอยาจจะถามภาษาอังกฤษก่อนนะวันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ การนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมมัดทางเฟ e บุ๊ก421ท่านทางยูทู e พระอาจารย์363ท่านทางดอกตอร์วีชาแนล51ท่านวิดีุอออนไลน์10ท่านครบเท้า10ท่านหน้ากุฏิ119ท่านรวมทั้งหมดเป็น974ท่านเจ้าค่ะ มีคำถามดางบ้านไหมเชิญต่อได้มีคำถามจากผู้รับฟังธรรมานาคุติเจ้าค่ะขอกราบถามเจ้าค่ะว่าการที่พระท่านที่อยู่สายศึกษาได้เกริ่นบอกความประสงค์ที่ทางวัดจะมีการทากิจของวัดเช่นซ่อมแซมโบสถ์ทาสีรัว้ว มีงานบุญกรถิน่นต้องจัดสอยดาวโดวยขาดปัจจัยอีกจำนวนมากและค่อนข้างมีความหวังกับเราแต่เราไม่ค่อยมีจิตศรัทธาแต่ก็ทำไปตามจิตที่เราไม่เครียดมากแบบนี้ถือว่าเราได้บุญบ้างไหมเจ้าคะได้ทุกครั้งที่เราเสียสละเงินทองไปนี้เราก็ได้บุญเพราะว่าเราปล่อยวางเงินทองก้อนนั้นไปได้ ได้บุญได้ชนะความตนเองได้ชนะความยึดติดในเงินทองก้อ น, นั้งแต่ใค่ะคำถามต่อไปกราบเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะวิปัสสนาภาวนากับปัญญาอบรมสมาธิต่างกันตรงไหนคะแบบเดียวกันนะใช้ปัญญาทำใจให้สงบด้วยการกำจัดกิเลสตัณหาที่เป็นตัวสร้างความไม่สงบให้กับใจ คำถามต่อไปกลับในมัสการพระอาจารย์ค่ะปกติจะภาวนาโดยบริกรรมพุทโธอยู่ที่กลางหน้าอกมีครั้งหนึ่งที่ภาวนาจนพุทโธห่าง ขั้นและเกือบจะหายไปแต่กลายเป็นว่าเหลือแต่คำว่าพุทธระหว่างการเดินจงกรมและหายใจเข้าเท่านั้นรวมถึงเหมือนมีอะไรดึงกลางอกขึ้นมาจนตัวแอนขึ้นและหายใจเข้าจนสุดอยากรบกวนถามพระชาจาร์ว่าภาวนาผิดตรงไหนหรือจึงเกิดภาวะเช่นนี้ขึ้นเวลาเดินจงกรมก็ใช้คำบริกรรมพุโทโธอย่างเดียวก็พอ ไม่ต้องดูลมไปด้วยใช้พุโทโธไปอยู่กับคำบรลกรรมพุโทโธไปอาการห่ากๆจะไม่เกิดนะเจ้าค่ะคำถามจากคุณใบยก ลูกนั่งสมาธิจิตกำกับรู้ลมจนสภาวะเฉยๆและเมื่อถึงสภาวะนี้แล้วจิตติดกับลมแต่ไม่ใช่จิตจะนิ่งสนิทกับที่จิตเคลื่อนไปรู้ไปเห็นอะไรก็ตามที่ไม่น่าดูและน่าดูแต่สภาวะขนานั้นจิตลูกแค่รู้เฉยๆไม่ปรุงแต่งใดๆและเมื่อออกมาจก ใช้ชีวิตประจำวันลูกก็จะวางเฉยกับบริบทอื่นๆภายนอกที่มากระทบได้ดียิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนเจ้าค่ะลูกจะนั่งอยู่ที่ชั่วโมงหน่อยๆเจ้าค่ะถูกต้องไหมเจ้าคะขอพระอาจารย์แนะนำด้วยเจ้าค่ะถูกต้องถ้าจิตเราเน่งสงบไม่วุ่นวายไปกับอะไรต่างๆก็ใช้ได้เพียงแต่ว่าอยากจะให้ทาให้มากขึ้นให้มันทายิ่งมากเท่าไหร่จิตก็ยิ่งจะสงบมากขึ้นนานมากขึ้นไปเรื่อย คำถามจากคุณวันเพล่ลูกมีบททดสอบเข้ามาท้องเสียอาเจียนหนักมากปวดท้องสุดๆลูกทานยานอนภาวนาตลอดสังเกตเห็นเวทนาไม่เที่ยงความปวดทุเลาลงแล้วกลับมาปวดมากธรรมโอสถช่วยรักษาใจให้สงบกราบพระอาจารย์ชีแนะเวลาตา ย, ตายจริงไม่ปราดนาเกิดด้วยเจ้าค่ะ ก็ <S <S เราใช้ธรรมะเอาสวยเพื่อลังับความทุกข์ใจแต่เราลังับความเจ็บความตายไม่ได้มันปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายไปแากใจเราจะไม่ทุกข์ถ้าใจเรามีอยู่เบกดขาวมีปัญญาวางเฉยได้เชอค่ะคาถามจากหน้าคุติเวลาเริ่มภาวนาแบบไหนจะทำให้เรามีสติกว่าวันระหว่างกว่ ก, วกกวัากกันระหว่าง ภาวนาพุทธโธทถที่ีไปเรื่อยๆหรือภาวนาพุทธโธโดยพุทธหายใจเข้าโธหายใจออกแต่แบบนี้จิตจะออกไปคิดเรื่องอื่นบ่อยมากเจ้าค่ะเอาพุทธโธอย่างเดียวไม่ต้องพุทเข้าโทออกไม่ต้องดูลมอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปแล้วจิตจะไม่ค่อยไปที่อื่นได้เพราะถ้าพุทธโธเข้าพุทเข้าโทออกมันช้าไปบางที หายใจเข้าออพูดหายใจออกโทช่วงนั้นมันก็เปิดไปนู่นมานี่นันแล้ <c oughs> องพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปให้มันทิ้งแคมถามจากคุณช้างลายแทงสรุปสติกับสมาธิเราควรมีพื้นฐานเข้าตัวไหนก่อนคะในการปฏิบัติธรรมค่ะอ๋อสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลนะอยากจะได้สมาธิก็ต้องสร้างเหตุก่อนคือสติจเจริ่มสติต้องเริ่มตาขึ้นมาเลยก่อนที่จะมานั่งสมาธิ แล้วขณะที่นั่งสมาธิก็ต้องเจริญสติออกจากสมาธิก็ต้องเจริญสติต่อไปทําสติทั้งวันทั้งคืนเยินยืนนั่งนอนทุกกิริยาบทแล้วเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้มากได้ง่ายคำถามสักคุณพักพินันสาวถ้านั่งสมาธิประมาณสองสามชั่วโมงแต่รู้สึกเจ็บขาอยู่ค่ะต้องคิดยังไงไม่ให้เจ็บหรือทํำยังไงดีเจ้าค่ะ ออ๋ความเจ็บเป็นเรื่องธรรมดาลองคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปอยากให้มันไม่เจ็บเพราะความอยากให้มันไม่เจ็บมันทำให้ใจเจ็บมากกว่าความเจ็บของทางร่างกายเราต้องดับความเจ็บทางใจด้วยการไม่ไปอยากให้ร่างกายไม่เจ็บเพราะร่างกายมันต้องเจ็บเป็นธรรมดายอมรับความเจ็บทางร่างกายแล้วใจความเจ็บทางใจจะไม่เกิดขึ้นคําถามจากคุณปูดี ทำบุญบริจาคเงินไปแล้วตอนทําก็มีความสุขใจด้วยความตั้งใจดีของเราภายหลังได้เห็นหรือรับรู้ข้อมูลที่ทําให้เรารู้สึกว่าไม่น่าทําบุญหรือบริจาคหรือทําน้อยกว่านี้แบบนี้จะได้บุญได้อานิสงส์จากที่ทําบุญไปไหมคะอบุญที่เราทําไปก็ยังได้อเท่าเดิมแต่้ความทุกข์ใหม่มันเกิดจากกิเลสของเราทั้นเองที่เราไปเสียดาย อย่าไเสียดายทำาายไปแล้วก็แล้วไปแต่ว่าโยนหินโยนหินไปแล้วมันจะไปตกที่ไหนเราก็ห้ามมันไม่ได้แล้วก่อนจะโยนก็คิดให้ดีก่อนว่าจะโยนไปที่ไหนดีมันก็โยนไปแล้วก็ปล่อยมันไปตามบุญตามกรรมไปอย่าไม่เสียดายถ้าคิดว่าทำบุญที่นี่แล้วมันไม่ดีคราวหน้าก็อย่าไปทาเปลี่ยนไปทาที่อื่นต่อคำถามต่อไปเริ่มนั่งสมาธิมาสักพักใหญ่นั่งได้มีสติ ในหัวไม่มีอะไรให้คิดท่องพุโทโธมีแวบไปคิดนั่นนี่ก็พอรู้สึกตัวว่าเราคิดเรื่องอื่นก็จะกลับมาท่องพุโทโธแต่ไม่รู้ว่าเรียกว่าจิตรวมคืออะไรขอพระอาจารย์แนะนําด้วยเจ้าค่ะอตอนนี้จิตยังไม่รวมจิตยังวิ่งไปวิ่งมาอยู่ระหว่างกับพุโทโธกับความคิดต่างๆต้องให้มันอยู่กับพุโทโธเพียงอย่างเดียวไปแล้วมันถึงจะรวมได้ต้องทําต่อไป คำถามจากคุณจอยขอโอกาสเจ้าค่ะสามีชอบดูหนังโป้นี่บาปไหมคะตายไปจะตกนรกไหมคะขอบคุณค่ะถ้าไม่ไม่ไป ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, มีมีคนอื่นก็ไม่บาปอ่ะ <c oughs> ยังนอนกับเราไม่บาป <c oughs> คำถามจากคุณรุ่งปิติเราสร้างได้ไหมครับ มันเกิดจากการมีสติทําใจให้นิ่งแล้วมันก็จะเกิดบางทีก็เกิดบางทีก็ไม่เกิดไม่แน่นอนไม่ต้องไปถือเป็นเรื่องสาคัญเวลานั่งสมาธิเราต้องการความสงบเป็นหลักบางทีสงบแบบพระไม่มีสติก็มีไม่มีปิติก็มีปิติไม่ใช่เป็นตัวสาคัญอะเหมือนกับเป็นของแถมมาไปซื้อของที่ร้านแล้วเ็แถมปรากก า, าให้ด้ามอย่างี้บางทีไปซื้อเขาก็ไม่มีแถมให้ แต่เราได้ของที่เราต้องการที่เราไปใช้ก็พอก็แล้วกันมีคําถามหนะ้ากุติเจ้าค่ะขอความเมตตาประชาดให้โอวัตธรรมเพื่อนําไปใช้ในชีวิตการทํางานด้วยเจ้าค่ะก็ให้มีความขยันเหมือนเพียอในการทํางานในความซื่อสัตย์สุจริตแล้วชีวิตก็จะมีแต่ความสุขความเจริญ คำถามหมดแล้วเจ้าค่ะ เ, เวลาก็หมดพอดีก็อาท่านี้ก่อนก็ขอให้ท่านจรงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิุ